ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรโดยสมณะทราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่21กันยายน2546ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้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 ขนาดที่ เ, เรียนจบมาแล้วเนี่ยก็ทำงานทำการเสร็จแล้วก็อะไรอะ่ะก็ตั้งใจอ่ะว่าจะมีอาชีพจริงๆอาจมาตั้งใจจะเป็นศิลปินนะเพราะว่าเรียนจบมาในด้านของพวกศิลปะนะจริงๆเป็นครูเป็นครูสอนศิลปะก็เลยตั้งใจว่าอยากจะเป็นศิลปินเป็นจิตรกรนะวาดภาพต่างๆเนี่ย มีกลุ่มมีเพื่อนอยู่แล้วด้วยเสร็จแล้วช่วงนั้นเองอะ่ะพอเรียนจบมาใหม่ๆเนี่ยปรากฏว่าพบกับสมณาชาวโสน์นจะแหละนะท่านก็พูดให้ฟังนะฟังพ่อท่านเทศท่านสอนเสร็จก็ท่านยืนยันท่านบอกว่าเส้นทางเนี้ยนะที่มาถือศีลมาปฏิจจบัติธรรมเนี่ยมีความสุขยิ่งกว่าบอกตรงๆว่าจะมาไม่เชื่อ ไม่เชื่อบางทียังเถียงกับท่านอยู่บ่อยๆเนะถียงบอกก็ไม่จริงอะ่นะมีชีวิตแบบโลกโลกนะอยากจะกินอะไรก็กินได้ตามใจเรานึกจะนอนเมื่อไหร่ก็นอนได้นึกอยากจะทําอะไรก็ทําไดนะ้เรารู้สึกอย่างนั้นมีความสุขกว่าบกชีวิตที่อย่างเนี้ยจะต้องมามีเหมือนอยู่ในกรอบเหมือนมีศีลเหมือนต้องมาปฏิบัติอะไรพวกนี้อ้อย่างนี้มันในในความรู้สึกเราตอนนั้นนะ สิ่างนี้มันยากกว่ามันจะไปสบายกว่ามันจะไปมีความสุขกว่าไจะยังไงก็เลยคุยง่ายว่าไม่ค่อยเชื่อแต่คือไม่ได้เชื่อว่าอย่างนั้นจะเป็นจริงนะแต่เชื่อตัวบุคคลที่พูดอย่างเช่นพ่อท่านอย่างเงี้ยมาเชื่อว่าเออท่านพูดท่านสอนมา น, นี่ท่านคงไม่โกหกอะ่ะที่เชื่อว่าไม่โกหกเพราะว่าอะไรเพราะว่า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 ไม่เชื่อแต่เราเชื่อตัวบุคคลใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดความสงสัยอยู่ในใจเราอะ่ะทั้งทั้งที่จริงๆช่วงนั้นอนี่จะมาเตรียมพร้อมไว้แล้วนะตั้งใจอยู่ว่าเรามีแฟนเรามีงานเราทำงานมีเงินเดี๋ยวเราก็หาสร้างบ้านแล้วก็แต่งงานแต่งการ คือคือเป้าหมายเนี่ยนะมีพร้อมอยู่แล้วอยู่ในหัวสมองทุกอย่างนะเพียงแต่ว่ามันสงสัยอยู่เท่านั้นเองว่าเอ๊แล้วท่านจะมาโกโหกเราเรื่องอะไระคือคนเราเนี่ยทุกคนเนี่ยยังไงอะ่ะใครก็อยากมีความสุขในชีวิตทั้งนั้นแหะแม้แต่ไปแต่งงานแต่งการมีครอบครัวเราก็คิดว่าเราหวังว่าจะมีความสุขใช่ไหมเออตอนนี้ท่านเสนอความสุขอย่างใหม่อย่างที่ มันไม่เคยอยู่ในหัวสมองเราเนี่ยก็เลยสงสัยขึ้นมาจนในที่สุดหลังจากที่เรียนจบแล้วเนี่ยมาจำได้ว่าเรียนจบปีสักสอหนึ่งนะ 2-5-2-1 เสร็จแล้วก็เลยมีความคิดว่าเออเดี๋ยวเดี๋ ย, เ ด, ยเดี๋ยวลองดูสิลองก็คือเริ่มลองถือศีลห้าเริ่มลองปฏิบัติทั้งๆ ท, ท, ที่เป็นฆราวาสนี่แหละอยู่บ้านลองไปใหม่ๆเนี่ยเอาลองเลิก กินเล่าสูุหรีลองเลิกไปเที่ยวเตะกับเพื่อนฝูงลองเลิกกินเนื้อสัตว์คือคําว่าลองเนี่ยมันก็ต้องทําจริงๆใช่ไหมแต่พอลองแล้วตอนแรกกะว่าลองสักแป๊บเดียวอะลองดูเท่านั้นเองบอกแฟนเอาไว้ด้วยนะบอกว่าขอลองดูว่าเป็นยังไงบ้าง เ, าเพราะฉนั้นดรอปแฟนไว้ก่อนพูดง่ายง่ายว่าหยุดไว้ก่อนนะไม่ไปหาไม่ไปอะไรด้วยนะเราจะลองดูสิ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 เราว่ามันมีความสุขมากเลยแต่ที่ไหนได้ล่ะการที่เราไม่ทําตามใจเราได้นี่นะเราไม่ต้องไปห่วงหาอะไรเอาวรนไม่ต้องไปติดไอ้นนทไม่ต้องไปติดไอ้นั่นแลเราลดละไอ้ความที่โอ้โหไปหอบผวงไปชอบไปอยากได้ต่างๆนานามาเนี่ยเออเราเราหลุดออกมาได้เราเป็นอิสระขึ้นได้โอ้โหมันสบายยิ่งกว่าจริงๆถึงบอกว่าเงินทองก็เหลือขึ้นมาเวลาก็เหลือขึ้นมา หลายสิ่งหลายอย่างเหลือขึ้นมามากมายเลยก็เลยเริ่ ม, เ ร, มเริ่มชักยอมยอมรับว่าเออเส้นทางนี้ดีจริงๆพรพอทดลองมาได้แล้วนี่แหละถึงได้แบบว่าบอกว่าเออแหมถ้าลองแค่นั้นมันก็รู้แค่นั้นอะ่ะคือเราพบความสุขขนาดนึงแล้แต่มันมั น, ม, นมันยังไม่ไม่ไม่ถึงที่สุดอะ่ะท่านก็บอกว่าความสุขยิ่งกว่านี้มันมีอีกอะ่ะแมถ้าเรา ตอนแรกก็ว่าสิส้นห้าใช่ไหมบอกเอ้าสิส้นแปดสิสินปดคนนี้ถ้าเริ่มเ ล, เลื่อนขึ้นมาให้ลองดูสิ้นแปดลองดูคราวนี้เลยลองพอลองสิ้นปดก็เลยมันยิ่งเห็นชัดใหญ่เลยน้ำว่าโอ้มันสบายขึ้นกว่าเดิมอีกเยอะแต่ในขณะที่คุณลองนี่ไม่ใช่ว่ามันไม่มีความลําบากบ้างเลยนะมันก็ลําบากนะมันก็ต้องอดทนมันก็ต้องต่อสู้ก็คงม ไ, มไม่เล่ารายละเอียดหรอก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 ก็ค่อยอะไอีกทีนึงแต่ยังไงจะลองก็ต้องลองจริงๆก็เลยลองถือสีแปขึ้นมาซึ่งซึ่งพอลองแล้วมันก็เห็นจริงๆว่าเออมันมีความสุขกว่าซึ่งอันนี้เป็นผลที่ยอมรับความจริงที่มันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่โกหกตัวเองใช่ไมไม่ไม่เสียดายไม่ไปอะไรอาวอนไอความสุขแบบเก่าๆที่เราเคยทำอะไรได้ตามใจชอบของเราเนี่ย ถ้ไม่โกโหกตัวเองอันนี้เะแล้วนะยอมรับความเป็นจริงนี้ได้มันจะเห็นจริงๆว่าความสุขแบบใหม่เนี่ยเออมันสุขกว่าจริงๆเพราะฉะนั้นในที่สุดก็เลยค่อยๆหันมาทิศทางนี้จนกระทั่งเนี่ยถึงมาบวชได้นะอาตมาก็ก็เล่าข้าว่าวให้ฟังเท่านี้ก่อนนะแต่ลงมาดูทางท่านธรรมบุตรนี่เนี่ยอาตมาเปิดดูบันทึกของวิาสาสมประมายติซึ่งเล่มนี้ก็บันทึกประวัติของสมณะอโศกเว้ แต่นี่มีอันนึงที่น่าสนใจเขาบอกปฏิกิริยาทางบ้านในขนาดนั้นนะนะเขาบอกทางบ้านเนี่ยคือบิดามดา่าเขาไม่เห็นด้วยเลยกับท่านมาปฏิทัศทางนี้นะเห็นด้วยกับการปฏิทําตัวแบบนี้บรรดาอับอายไม่สมกับการเป็นลูกของคนมีฐานะชื่อเสียงของพ่อแม่แต่ก็ไม่ได้ต่อต้านรุนแรงพี่น้องทุกคนก็ไม่มีใครว่าอะไรใลองเล่าให้ฟังมังสิก็ขอจนะได้ทำนะจะได้ทำทุกทุกท่าน แต่มาเองที่ที่ท่านถามว่าทําไมถึงไม่เห็นด้วยนะที่หลวพ่อยายแม่ไม่เห็นด้วยก็เพราะาอะไรไปทําตัวยังไงแม่ก็ไมเห็นด้วยไปถึงแสดงแบบใส่ซื้อผ้าขาดมันปอนให้พ่อแม่ดูนั่นเลยคือคื อ, คอก็แน่นอนอะนะว่าทางบ้านมีฐานะหน่อยนึงก็ไม่มากจากที่มาเตว่านะเพราะคนที่เขาเร่ำํำรวยกับเราก็มีอีกนะก็ไม่ได้มากมายขนาดนั้นหรอกแต่ที่จะอาจจะไม่เห็นด้วยมากกว่าจะมีจากที่ว่า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 พอเป็นแปลแน่นอนมันเป็นปรูปธรรมที่ทางบ้านโดยเฉพาะพ่อแม่ก็อาจจะรับยากหน่อยเพราะธรรมดาคนมีฐานะสังคมเนี่ยเรื่องเกยียรติยศชื่อเสียงหน้าตาเนี่ยก็เป็นอันใหญ่อันนึงพวกเราหลายคนที่มีอายุแล้วเนี่ยคิดว่าคงจะเข้าใจดีเหมือนกันนะว่ามันเป็นอะไรลูกเล่าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันกิดมากับขายหน้าเขาก็เลยรับยากหน่อยแต่ก็ยังดีที่ว่าเพ่อแม่เขาก็ไม่ได้จะแบบแข็งคือหรือรลุนแรงอะไร แล้ก็เป็นบุญขอตมาส่วนหนึ่งที่ตมาก็อาจจะเป็นคนที่แข็งหรือแข็งแรงในส่วนนี้ด้วยที่จะยืนหยัดชินยันนะก็เลยสามารถที่จะเกี่ยวตัวมาทางนี้ได้นะก็ขอเล่าย้อนไปนิดหนึ่งว่าพี่น้องตา ม, มาเนี่ยมี5คนแต่ ม, มาเป็นคนที่สลูกแต่ละคนก็เรียนสูงๆแล้วก็จบกันหมดนะได้ดีกันมาทุกคนนะคนที่หนึ่งคนโตก็จบบัญชีธรรมศาสตร์คนที่สองก็จบหมอมหิดลคนที่สามก็จบสถาบันจุลา สวดธรรมาก็จบนิทิศาสตร์ธรรมศาสตร์ส่วนน้องปุยีอีกคนนึงก็จบหมอเหมือนกันศิริราชอย่างนี้เป็นต้นนั้นแต่ละคนเนี่ยก็ได้รับความสําเร็จทั้งโลกหมดพอธรรมามาทางนี้เนี่ยนะเป็นธรรมดาของพ่อแม่ที่ก็ถ้าไม่เข้าใจธรรมะเพียงพอเนี่ยก็ต้องอยากให้ลูกอะได้ดีและสะดวกสบายนะมีหน้ามีตาในสังคมไปกับพี่น้องคนอื่นสวดธรรมาปุยีอาจจะแหกข้อมาคนเดียวนะก็เลยอาจจะไม่เห็นด้วยนี่แน่นอนอยู่แล้วในระยะแรกเนี่ยก็คือว่าธรรมะเองก็ไม่ได้กลับบไปกับช่องเลย ประมาณสักปีสองปีแต่หลังๆมากเลยกลับไปบ้างเพื่อเชื่อมสัมพันธ์เต็มตปดีแรกๆคือแตมาเนี่ยพอเปลี่ยนแปลงตัวเองปุ๊บเนี่ยโยมแม่เนี่ยเจอหน้าครั้งแรกมองได้หัวจุดท้าสักสองรอบ <c oughs> ก, ก็ต้องรอยอยออีกนิดนึงว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นช่วงตั้งแต่เด็กจนถึงประถมแล้วกันตอนนั้นก็คือธรรมดายังไม่มีอะไรมากนะช่วงมัธยมเนี่ยตมาเริ่มสนใจ ไม่ใชสนใจธรรมะโดยตรงหรอกเพื่อนเนี่ยเขาไปเอาหนังสือเกี่ยวกับเรื่องการนั่งสมาธินะแล้วก็เรื่องได้อะไรอิทธิฤทธิเดชอะไรไม่รู้อะเยอะแยะมามกามายกีก่อเขาบอคุยเราฟังเราก็เกิดสนใจบ้างพอสนใจบ้างก็ก็ไปอ่านหนังสือแล้วก็มาหัดนั่งสมาธิใหญ่เลยในะช่วงมัธยมนะเสร็จแล้วตั้งหลังมามาเจอหนังสือของท่านพุทธทาสนะที่บอกว่าถ้าเรามีจิตไม่ดีตนะั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยฝึกผู้นี้ไปเ่ยมันก็ไรประโยชน์ย่งไงก็ไม่ได้แน่นอน มันก็เลยเริ่มเอเอียงมาอ่านหนังสือธรรมะบ้างในช่วงของอมาเทียมปลายพอเราเอนทายเข้ามาหาวิทยาลัยเนี่ยช่วงปีหนึ่งก็เที่ยวเล่นไปตามเรื่องของตามวัยรุ่นไปแต่พอปี2ก็เลยคิดว่าเอ้ยเราน่าจะมีชีวิตที่มีสาระมากกว่านี้ก็เลยเข้ากิจกรรมพวกชนิดต่างๆก็มีชุมนุมพุทธนี่แหละที่ธรรมศาสตร์ก็มีก็เลยไปร่วมกิจกรรมของเขาตั้งแต่อยู่ธรรมศาสตร์ก็ศึกษาธรรมะมาเรื่อยๆตอนนั้นเนี่ยเดินในความคิดของตัวเองก็คือว่า โดยเฉพาะศึกษาธรรมะในสายของท่านอาจารย์พุธธธทธทาสทําให้เราก็เกิดความรู้ความแจ้งในแง่ศาสนามากขึ้นหลายเหมือนกันแต่ความเข้าใจตอนนั้นการปฏิบัติธรรมของเราก็คือแค่ไปวัดหรือฝึกสมาธิทําอานาปาสสติอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าเราก็ยังกินใช้เที่ยวเล่นไปดูหนังฟังเพลงตามเรื่งตามราวไปตลอดจนเรียนจบพอเรียนจบปุ๊บเนี่ยจะ ม, มาบังเอิญอย่างเป็นช่วงโควิดหวตองชีวิตหนึ่งว่าเอ๊จบแล้วจะไปทางไหนดี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 เมื่อเราโตนี่ยแหละเราจ ะ, ะสามารถจะชีวิตอยู่เดียวได้หรือเปล่าการที่ไปร่วมโครงการนี้ก็เทียบเป็นการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ห่างไกลพ่อแม่ไปไปคนเดียวไปอยู่ในชุนบทในที่ที่เราไม่รู้จักใครเลยนะนั่นแหละก็ได้เล่นไปเราก็ไม่ให้เลือกหลายจังหวัดนะแต่มาเลือกจังหวัดแม่ฮ่องสอนไกลที่สุดเลยหมายความว่าให้พ่อแม่ไปเยี่ยมไม่ได้อหนึ่งหรือไม่เราก็ไม่กลับมาเยี่ยมไม่ได้อีกหนึ่งเพื่อจะเป็นการศึกษาและอยากจะรู้ถึงว่าตัวเราเนี่ย เติบโตขึ้นมาในครอบครัวเนี่ยมันก็เหมือนเด็กลูกแง่แต่พอเราโตปุ๊บเนี่ยเราก็อยากจะรู้ว่าเราเป็นผู้ใหญ่ก็เลยอยากจะไปใช้ชีวิตอย่างนั้นดู บ, บ้างทีงนี้การไปอยู่ชีวิตอันนั้นเนี่ยนะเป็นจุดทุเรศพอต่อเขามาเหมือนกันชุวอยู่ธรรมศาสตร์ก็อ่านหิังสืธรรมะเยอะส่วนใหญ่เป็นหนังสือของท่านบุต ธ, ธาตุแต่พอไปอยู่เงี้ปุ๊บเนี่ยก็อยากได้หนังสือธรรมะอ่านเพราะว่าก็อาจจะเคยชินมีรุ่นน้องเขาก็อาจจะส่งหนังสือมาไปให้แต่มีเพื่อนธรรมะคนหนึ่งเขาบอกว่าเขียนจดหมายไปขอที่สันติโศอกสิที่นัน ตามาก็ เ, เขียนประกาศเอไปสิ่แบบมาที่นี่ใบหนึ่งเราที่นี้ก็ส่งหนังสือไปให้ตามาได้อ่านที่ไม่ต้องสอนมันจึงเป็นเวลาประจบเหะที่ว่าในแง่ของธรรมะในแนวของอโศกที่จะมาได้รับจากการอ่านหนังสือณนะช่วงเวลานั้นกับการที่จะได้อาตมาได้ไปไปอยู่ไปกินไปนอนไปเฉลิมบทนะไปสัมผัสชีวิตเรียบง่ายซึ่งมันก็แตกต่างกับชีวิตตามาเดิมๆเนี่ยชีวิตตามาเดิมๆเนี่ยไม่ใช่เรียบง่าย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 อยู่แบบเรียบง่ายอย่างนั้นเป็นภาคปฏิบัติปัญญาที่เกิดขึ้นทาให้เกิดเราความรู้ความเข้าใจว่าอ๋ออย่างเก่ามันก็แค่ความสะดวกสบายแต่ความสุขความทุกข์นั้นแนหะมันก็มีตามอัตตาของมันอยู่เหมือนกันแต่ชีวิตเรียบง่ายอันนี้เนี่ยถึงแม้จะไม่สะดวกสบายแต่จริงๆแล้วได้สัมผัสอันนึงว่ามันมีความสุขยิ่งกว่าปัญญาตรงนี้เนี่ยทําให้ตมาก็เกิดมุมมองใหม่ว่าอ๋อการมีมากนะ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 ตอนนั้นตมาก็เลยตั้งเจตเลยว่าจะกินมังสวิรัตเนี่ยก็เลยไม่กินห ล, ลังจากนั้นก็ไม่กินมาจนถึงทุกวันนี้นะกี่ปีแล้ ว, ว่ะตั้งแต่ปี22 2มัง้งนะนั่นแหละจุดนั้นเป็นจุดชนวนของตอมาที่เริ่มต้นปฏิบัติทมในแนวอโศกพอเราเริ่มสมาทานมังสวรัส ท, ที่จะไม่กินแล้วเนี่ยแรกๆกันนะก็อยากจะบอกว่า ก็แอบกินเพราะว่าไม่ได้ประกาศคือไม่มีความกล้าหาญเพียงพอที่จะประกาศให้เพื่อนครูตอนที่อยู่ที่นู่นนะได้รู้ว่าเรากินมังสวิรัติเราก็แอบกินนะก็คือใช้เจเขี่ยกินอาหารร่วมวงกับคนอื่นเขาอะแล้วก็อเนื้อๆไม่กินนะแล้วก็กินเนื้อกินผักกินอะไรไปจำเรื่องจำราวอะไรเนี่ยตอนหลังๆมาพอเพื่อนมาสังเกตรู้ว่าเราไม่กินเขาก็นึกว่าเรากินเจตามเทศกาลแล้วก็รับมุกไปเลยเออเออเออนะพอตลอดเทศกาลไปแล้วเอ้าให้ไม่ได้เออก็กินต่อไปเรื่อยนั่นแหละ นะพอดีได้จะว่ากลับมากรุงเทพเนี่ยก็เลยแล้วไปพอกลับมากรุงเทพเนี่ยกับเพื่อนที่เรียนอาสาสมัครด้วยกันเนะี่ยเราก็ประกาศตอนนี้เรากล้าแล้วแรกๆก็ไม่กล้ายัางกลัลวเลยประกาศกับเพื่อนไปเลยว่าเราเป็นนักมังสวิ ร, รัติเรากินมังสวิรัตเพื่อนเนี่ยแทนที่ว่าจะแบบว่าอะไรอ่ะไม่เห็นใจกับดีนะอยากจะแนะนําพวกเราไว้อันหนึ่งหลายคนมาที่นี่อาจจะเกิดตั้งจิตที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะหลายๆอย่างแต่คนรอบข้างเนี่ยเราคิดว่าโกลัว่านะจะเกิดเนื่นเกิดนี้จริงๆไม่ใช่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 แทนที่บางอย่างเราก็ยังอยากกินเหมือนกันนะกิเลสเรายังมีอยู่บ้างประกอบว่าเพื่อนช่วยกํากับเราให้เรากินนั่นไม่ให้กินนี่นะเพราะฉะนั้นที่กินก็อยากจะแนะนำพวกเราว่ากล้าเถอะกล้าประกาศไปเลยนะแล้วเสร็จแล้วมันจะดีกับเราเองแหละนะเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยสําหรับเราเองมันก็ไม่ง่ายแต่พอเรารู้ดีแล้วเนี่ยความกล้าทําดีมันมีน้อยหน่อยแต่ถ้าเรากล้าที่ประกาศปุ๊บเนี่ยมันจะมีส่วนช่วยทําให้เราสามารถทําดีได้แบบไม่ยากหนักเอาละทีนี้พอมา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 แต่พอไปอยู่ที่ชนบทเนี่ยเราไปใช้ชีวิตอย่างนั้นนี่นะเรารู้สึกว่าโอ้ย่างงี้มันมีความสุขกว่าทําให้เริ่มสนใจในฮอลั น, นี้และก็ลงมือปฏิบัติโดยเริ่มต้นกินมังสวิรัตเริ่มต้นลดการใช้เสื้อผ้าสตมาได้ไปอ่านหนังสือของท่านเล่มหนึ่งชื่อว่าเจริญชีพด้วยการก้าวเพราะท่านเล่าถึงสมัยที่ท่านเป็นโคศกทีวีช่องสีและเริ่มปฏิบัติธรรมท่านลดนะท่านเริ่มกินมังสวิรัตอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยจุดเกิดในตัวเครื่องเสื้อผ้าเครื่องใช้เนี่ยท่านยังทางานอยู่นะ แต่ท่านก็จํากัดตัวเองว่าคือซื้อผ้ามีเต็มตู้แต่ก็ตั้งให้กับตัวเองเดย ว, ว่าเราจะใช้แค่ห้าชุดเออแต่มาก็เลียนแบบว่าเอองั้นเราก็ไม่ใช่ว่าจะถึงขั้นที่ว่าเจ้าเสื้อผ้าบริจาคบริจาคแล้วโย่ให้ใครๆไปนะเราทําเป็นส่วนตัวเราทําแบบว่าเ ง, งียบๆแบบไม่เคยมีใครรู้เท่าไหร่เราก็ตั้งใจที่เราเองว่าโอเคเรากำหนดหมายว่าเสื้อผ้าเราจะใช้แค่เนี้ไอ้ดอกนั้นก็ทิกงไปในตู้นั่นแหละก็เป็นการที่จะลดการอุปโภคบริโภคลดการกินการใช้นะให้มัน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 คือง่วงไม่ง่วงก็ไม่รู้แหละนอนเล็กแก็นอนตาค้างไปจนถึงสักสี่ทุ่มหทุมเชี่ย ค, คืนก่อนตอนใหม่ๆนะแต่พอนานๆไปเราฝึกได้ปุ๊บเนี่ยเราก็หลับได้พอนอนปุ๊บเราก็ตื่นไวพอตื่นไวเช้าเช้ามืดมาเนี่ยนะตื่นพอนอนสามทุมมันก็นอนสักหกชั่วโมงก็ตีสามตีสก็ตื่นแล้วซึ่งแต่ก่อนอยู่บ้านแล้วไม่เคยหลอกกว่าบ้านทูบ้านสั ก, กพุ่งซักผ้าตื่นมาตอนเช้าไม่รู้จะทําอะไรอะ่ะแล้วทําอะไรบางอย่างที่มันแบบไปอ่านหนังสือมันก็มีสิทธิ์หลับมันเลยไม่เก่ง ก็ต้องหาอะไรทําที่มันออกดีออกแรงห้องเครื่องก็เก็บเก็บกวาดกวาดซื้อผ้าก็มีเอามาซักอะไรเงี้ยก็เลยเออดีไม่กันนะแล้วตอนนั้นก็เปิดเทปธรรมะฟังไปด้วยก็ได้เพิ่มทั้งปัญญาเพิ่มความรู้แล้วได้ฝึกฝนตัวเองเนี่ยแล้วพอมาช่วงปลายๆก็เริ่มมาคบคุ้นที่นี่โดยมีเพื่อนชวนมาให้มาช่วยขับรถให้แต่มาก็เลยมาขับรถให้สตีโศกเพื่อไปอาขายอาหารมังสวิัต หลังจากนั้นก็เริ่มมาที่นี่มีธรรมวัดนเจ็นก็มาฟังธรรมวัดเย็นเรื่อยๆจนตัดสินใจว่าไปบอกยมพ่อว่าได้งานแล้วคือตอนนั้นจบปุ๊บยมพ่อก็เมื่อไหรจะทํางานได้ทีละ่ะเราก็ได้งานแล้วที่โมรัญดิธิทําสันติมีที่ให้อยู่มีข้าวให้กินนะเงินเดือนศูนย์บาทยมพ่อก็ไรู้จะว่าไงนะเสร็จแล้วต่อมาก็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 นะในฐานคารวาสก็ได้ระดับหนึ่งนะถ้าจะได้ยิ่งกว่านั้นเนี่ยการบวชเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่จะได้ดีกว่าถึงได้ตัดสินใจที่จะบวชแล้วหลังจากนั้นก็ได้สมัครปะมเมื่อวันเมื่อประมาณปี25แล้วก็อยู่ตาขั้นตอนของการบวชที่นี่นะปะนาเนี่ยเลยก็ว่าไปประมาณปีหนึ่งก็ได้มาได้บวชสอกนะก็บวชกุมภาสหกจนมาถึงปัจจุบันนี้นะก็4ี่แล้วสองหกสีนะ่หกยี 6, ่สพอดีอยนะได้เริ่มมาอยู่ว่าปี23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 ซึ่งก็จะแตกต่างกับช่วงที่จะมาไปเป็นอาสาสมัครแล้วอยู่ต่างจังหวัดตอนนั้นเนี่ยมันมุมจากการที่มีมากกว่าไปมีน้อยนะแต่ยังไงก็ยังมีของของเราของตัวเราอยู่เยอะแต่พอมาอยู่ที่วัดเนี่ยนะมาเป็นเหมือนกับคนจนคือจนคือไม่มีนึกจะคิดอยากจะอะไรก็ไม่มีตังค์จะซื้อคือแต่อาจจะมีมาได้ที่หนึ่งตอนแรกๆนะที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยทางบ้านทั้แม่ก็จะให้เงินให้ทองแต่หมาก็ไม่เอาเพราะเราคิดว่าเราจะมาฝึกปฏิบัติแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่า เร า, าเอาจากท บ, บ้านมาเยอะแล้วเมื่อเราตัดสินใจมาอยู่วัดเนี่ยเราไม่ทํางานเราไม่มีอะไรที่จะเป็นตอบแทนเขาแล้วเนี่ยเราก็ควรจะหยุดแลพะพอจากการที่รับจากเขาไม่ควรจะรับจากเขาอีกแต่การที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยทําให้เรามาฝึกเป็นคนจนต่อมาก็เรียกว่าอยากจะบอกว่าได้สัมผัสความรู้สึกของการที่ว่าไม่มีเงินเนี่ยมันเป็นยังไงคือนึกอยากจะได้อะไรเราก็ไม่สามารถซื้อได้เพราะเราไม่มีมันต้องขอเขาเอาหรือออกก็ แต่การอยู่วัดเนี่ยเรากึงมีสิทธิ์ที่จะได้รับเรียกว่าปัจจัย4ก็อย่างที่บอกแล้วที่นี่มีอาหารให้มังสวัดหนึ่งมือ้อมีงานให้ทำนะแต่ไม่มีเงินให้เงินเดือนศูย์บาทจะไปในมืไหนเราก็เบิกเบิกพอดตอ น, นั้นไม่ใช่เบิกหรอกคือหมายว่าสุดท้าเราทำงานให้ใช่ไหมละ่ะก็คือขับรถให้นั่นก็ขับรถไปงานของวัดไปเอานังสือจากห้องวัดสวรรคเนี่ยท่านสิทธิโชยท่นอยู่ห้องหัดสวรรคอยู่โรงพิมพ์แต่มันเป็นครับว่ามาอยู่วัดก็ขับรถไปก็เบิกก็เบิกน้ำมันเติมรถเราออกแรงอย่างเดียวไ นะรถของส่วนกลางงั้นจะกินจะใช้อะไรก็ตามก็ใช้ของส่วนกลางทั้งหมดเลยความรู้สึกของการที่เราเป็นคนไม่มีเงินนี่นะเออมันรู้สึกว่าเออเนี่ยคือความลําบากสําหรับคนที่เคยมีแต่ว่าเมื่อทําได้ระยะหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็เป็นความสบายอีกเหมือนกั น, นกแรกๆอย่างที่ท่านเตท่านถามว่าเออลาบากไหมก็ลาบากจริงๆด้วยนะเพราะนึกอยากได้อะไรมันก็ไม่ได้โดยเพราะก็ต้องบอกว่าต้องขอเขาเอาอย่างนี้เป็นต้น